พ่อแม่ส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าดีกับลูกแล้วลูกจะดีตอบเองที่แท้ไม่ใช่เลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าความกระตัญญูกระตาเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีฉะนั้นถ้าคิดเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีก็ต้องเริ่มจากสอนให้รู้คุณคนก่อนแล้วเรื่องบุญคุณนั้น ถ้าสอนให้รู้จักบุญคุณพ่อแม่ไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะรู้จักบุญคุณใครได้ถ้ารากแห่งชีวิตยังบำรุงไม่เป็นก็อย่าหวังว่าจะบำรุงรากแห่งคุณงามความดีอื่นไหนถูกพ่อแม่ส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าดีกับลูกยอมเหนื่อยให้เขาทุกอย่างแล้วลูกจะดีตอบเองที่แท้ไม่ใช่เลยตรงข้ามยิงคุณทำมาก เขายิ่งเข้าใจผิดมากเพราะเคยชินกับการรู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่รับบริการส่วนคุณต้องมีหน้าที่เป็นฝ่ายบริการสถานเดียวอยากทำให้เขาเกิดมาเองก็ต้องรับผิดชอบเองสิอันดับแรกจึงต้องฝึกลูกฝึกตัวเองกำจัดความเห็นแก่ตัวของเขาให้ได้ก่อนเริ่มจากอะไรง่ายๆเช่นสอนให้ออกแรงเอ่ยปากขอบคุณยกมือไหว้ หรือช่วยทำอะไรให้กับผู้มีพระคุณหมายเล็กหนึ่งคือคุณบ้างให้เขาออกแรงตั้งแต่ยังขี้เกียจไม่เป็นเช่นให้ขึ้นบันไดไปเอาข้าวของให้คุณเป็นการช่วยยืดแข้งยืดขาเข้าแบบสบายๆก่อนที่เขาจะเข้าสู่ภาวะแข็งขืนต้องฝืนอย่างหนักกว่าจะก้าวไปเอาอะไรให้คุณไหวนอกจากฝึกทางปากทางกายแล้วก็ต้องฝึกทางใจ ให้รู้สึกถึงความมีแก่ใจคิดตอบแทนนับแต่เล่านิทานสอนใจให้รู้คิดรู้จักกระตันอยู่เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลทั่วไปอนุ ญ, ญาตให้คุณพ่อเข้าไปถ่ายทำนาทีที่ลูกเกิดได้เมื่อลูกโตขึ้นเขาจะได้เห็นกับตาชั ด, ชดว่ามีใครบางคนเสี่ยงตายเพื่อเขาตั้งแต่แรกเกิดของเขาให้เลือดให้เนื้อที่มีค่ายิ่งกว่าเงินที่ใครอื่นหยิบยื่นให้เขาทั้งชีวิต อันหนึ่งการรู้บุญคุณคนหาใช่การลำเลิกบุญคุณทวงบุญคุณเช้าเย็นให้ลูกฝืนใจหรือทำอะไรเกินตัวพ่อแม่หลายคนร้ายกับลูกตั้งแต่ลูกยังเล็กแต่พอโตขึ้นก็บีบคอคาดคันเขาให้แสดงความกระตันอยู่กระตะเวทีกับตนอันนี้แม้ทำได้ก็นับว่าสร้างความไม่รักชีวิตให้กับลูกแล้ว ค่าที่ทำให้เขาเกิดและโตมากับความรู้สึกว่าชีวิตคือการฝืนใจโทษฐานเป็นลูกก็ต้องรับกรรเยี่ยงทาตจะน้ำตาตกในหรือน้ำตาไหลเป็นสายเลือดแค่ไหนก็ต้องกลมหน้าก้มตากัดลิ้นตัวเองตอบแทนบุญคุณไปทงกับลูกอย่างไรก็เกิดใหม่เป็นลูกที่ถูกกระทาแบบนั้นลลกสำนึกแห่งความกตันยูกะตเวทีที่เป็นสุข ก็ได้พ่อแม่ใหม่ที่ให้ความสุขก่อนฝังสำนึกตอบแทนพ่อแม่ด้วยการกัดฟันกรีดหัวใจตัวเองก็ได้พ่อแม่ใหม่ที่ให้ความทุกข์สาหัสตามกฎเหล็กที่ว่าสัตว์โลกย่อมถือกำเนิดตามกรรม